อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นพระอรหันต์กันทั้งโลกถามจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ทารวอนอีกนายหนึ่งเป็นพระอรหันต์ทีเนี้ยผมสงสัยว่าถ้าคนทั้งโลกเป็นพระอรหันต์กันหมดก็ไม่เหลือการเกิดตายอีกเลยใช่ไหมครับ ม่เท่ากับเราทำลายวัฏจักรทางธรรมชาติทั้งหมดลงดอกหรือตอบคำถามนี้ยากไปครับมาทำให้ง่ายลงนิดหนึ่งก่อนดีกว่าเปลี่ยนเป็นถามว่าถ้าคนทั้งโลกหันมาเชื่อเรื่องกรรมวิบากจะเกิดอะไรขึ้นหรือให้ง่ายลงกว่านั้นอีกคือถ้าคนทั้งโลก นับถือศาสนาพุทธจะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าไม่ต้องรู้เรื่องกรรมวิบากไม่ต้องรักแคะระคายว่ามีการหลุดพ้นทางจิตกันได้ด้วยเอาแค่ประกาศตัวอย่างเดียวว่าเป็นพุทธพอนะครับข้อเท็จจริงประการหนึ่งก็คือใครรักศาสนาของตนมากก็มักมีความปรารถนาอันแรงกล้าในอันที่จะทำให้ศาสนาของตน เป็นที่ยอมรับไปทั่วทุกหัวระแหงถ้าคุณรักศาสนาอย่างรุนแรงสดชีวิตกับทั้งมีอิทธิพลในระดับหมู่บ้านแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะคิดและลงมือทำเป็นอันดับแรกคือทำให้คนทั้งหมู่บ้านหันมานับถือพุทธศาสนาทั้งจัดกิจกรรมทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกฝังธรรมะกันในครัวเรือน และเมื่อทำสำเร็จขั้นต่อไปคุณต้องนึกถึงการเผยแผ่ระดับตำบลหากประสบความสำเร็จระดับตำบลก็ต้องนึกถึงการเผยแผ่ระดับจังหวัดแล้วลามไปเป็นระดับประเทศจนถึงระดับโลกในที่สุดนี่คือขั้นตอนตามธรรมชาติยากนักกับก้าวแรกที่คุณจะกระโดดขึ้นมาบนเวที ถือไม่ส่งเสียงดังกล้องไปทั้งโลกได้ฉับพลันทันใดแต่แค่คุณทำในระดับหมู่บ้านเล็กๆ ก, ก็จะรู้ซึ้งแล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนหันมานับถือเพียงศาสนาเดียวแช่ความเชื่อเดียวกันตลอดจนร่วมพิธีกรรมทำพิธีต่างๆร้องเพลียงกันคุณจะพบเรื่องหน้าปวดหัวทางความเชื่อมากมายหลายหลาก เพราะคนบางกลุ่มจะไม่มีเหตุผลใดมากไปกว่าเชื่อเพราะอยากเชื่อและไม่เชื่อเพราะไม่อยากเชื่อซึ่งสุดท้ายลงเอยคือคนพวกนี้จะหลงปักใจเชื่อแต่ตัวเองไม่เชื่อใครไม่นับถือศาสดาหไหนไหนส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งคุณจะพบว่าแม้พวกเขามีเหตุผลในการเลือกเชื่อ แต่วิธีใช้เหตุผลก็ผิดแผลกันเป็นคนล่เรื่องหรือคนละทิศทางยกตัวอย่างเช่นบางคนเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหตุผลคือทำดีแล้วใจสบายทำชั่วแล้วใจอึดอัดและหยุดความเชื่อไว้แค่ที่ตรงนั้นไม่ขอเชื่อเรื่องกรรมดีชั่วจากชาติก่อนที่มาให้ผลในชาตินี้เหตุผลคือ เห็นเห็นอยู่ว่าคนเราเป็นก้อนเนื้อที่คลอดออกมาจากท้องแม่เริ่มรู้สึกนึกคิดไดจากการทำงานของสมองและหัวใจเป็นไปไม่ได้ที่จะมีวิญญาณเป็นดวงดวงหอบหิ้วกรรมติดตัวมาจากมิติอื่นพวกนี้มักคํานึงว่ามันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมไม่น่าพอใจไม่น่าเชื่อถือทํานองเดียวกับที่จะรู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้น หากเห็นผู้บริสุทธิ์ถูกยัดเยียดข้อหาฆ่าคนตายข้อหาลักทรัพย์ข้อหาเป็นชู้ข้อหาหลอกลวงและข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองสรุปคือไม่เชื่อเพราะไม่เห็นว่าทรงเหตุสมผลส่วนอีกพวกหนึ่งแม้เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแต่ก็ขออนุญาตไม่เชื่อเรื่องธรรมดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วโดยให้เหตุผลที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะเห็นว่ามีเด็กระลึกชาติมากมายแต่ไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะบางคนแสนดีแต่ต้องตกระกรรมลำบากตลอดศพส่วนบางคนสุดชั่วแต่กลับขึ้นเถลิงอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตสรุปคือไม่เชื่อก็เพราะไม่สามารถเห็นหลักฐานกับตา เหตุผลของแต่ละคนนั้นมาเกิดจากการหยิบจับประสบการณ์ส่วนตัวมาเป็นข้อมูลประกอบใครเจออะไรก็ใช้สิ่งที่พบเจอนั้นเป็นวัตถุดิบประกอบการพิจารณาเมื่อเริ่มต้นชีวิตมาพวกเราเปิดตาดูเปิดหูฟังเหมือนเหมือนกันไม่รู้เหตุผลเหมือนเหมือนกันกับทั้งมีเส้นทางในการรู้เหตุผลแท้จริงแตกต่างกัน ลองยืนบนสะพานลอยมองลงมาเห็นยวดยานแล่นเลื่อนไปมาคุณไม่รู้ว่ารถแต่ละคันมาจากไหนและกำลังวิ่งไปทางไหนทํานองเดียวกับเมื่อเหลือบแลไปบนฟุตบาทคุณเห็นผู้คนยืนบ้างนั่งบ้างเดินบ้างคุณก็ไม่เคยทราบเลยว่าเขาเกิดกับใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอนาคตจะตกอับหรือสดใส และเขาจะอยู่ดูโลกได้อีกนานกี่ปีสิ่งที่คุณรู้จํากัดวงไว้เท่าที่ตาเห็นผู้คนรอบตัวเราต่างกับฝันหน่อยเดียวตรงที่คุณปรีเข้าไปทําความรู้จักได้ไถ่าถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสืบหาพ่อแม่พี่น้องวงวานว่านเครือได้และเขาก็จะยังคงมีตัวตนเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ แต่ถ้าสงสัยใครรู้ให้ลึกกว่านั้นเช่นเขาไปทํากรรมอะไรมาถึงเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นผู้ชายเกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นคนหน้าตาดีเกิดเป็นคนขี้เรศและอื่นๆเขาจะตอบคุณไม่ได้เลยแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของกรรมอยู่ด้วยตนเองก็ตามาเขยบเข้ามาใกล้คุณถามตัวเองเช่นเดียวกันนั้น ถ้าคุณรู้สึกถึงความทึบตันย้อนระลึกไม่ได้แม้แต่เรื่องของตนเองในวัยเด็กและยิ่งจนด้วยกล่าวว่าเรื่องราวในอดีตก่อนเข้าท้องแม่มีอยู่หรือไม่มีจริงก็แปล ว, ว่าคุณไม่แตกต่างจากคนทั้งโลกที่ยังคงตกอยู่ใต้อำนาจความไม่รู้มีแค่ความสามารถเห็นด้วยตาและฟังด้วยหูอันแคบจำกัด ถ้าวันนี้คุณเชื่อเรื่องกรรมวิบากลองถามตัวเองว่าคุณต้องเจอผู้คนเจอเรื่องราวผ่านประสบการณ์ดีร้ายมากมายแค่ไหนใช้เวลารับฟังและพิจารณาเท่าไหร่กว่าจะยอมเชื่อลึกกว่านั้นหากวันนี้คุณรู้ด้วยจิตว่ากรรมอย่างไรจึงได้ผลแบบไหนหรืออีกในหนึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในกรรมวิบาก ด้วยญาณทัศนะของตนเองคุณจะยิ่งตรหนักว่ากว่าจะเจอครูผู้สอนถูกสอนตรงมีใช่ง่ายกว่าจะให้ท่านกำกับเขี้ยวเข็นจำจีจำชัยกว่าจะเกิดมาณภาคเพียงฝึกวิชาจนรู้ตามครูได้มันยากมันนานเพียงใดคุณใช้เวลาและความเพียรเพียงใดก็นั่นแหละครับที่คนทั้งโลกเขาต้องการเช่นกัน แล้วคนทั้งโลกมีอยู่มากมายกายกองขนาดไหนกันเอาเฉพาะวินาทีนี้นะครับเข็มนาฬิกากระดิกหนึ่งวินาทีทั่วทั้งโลกมีเด็กเกิดใหม่สามคนวินาทีต่อไปสามคนและอีกสามไปเรื่อยๆแปลว่านับจากนี้ไปอีกสี่ปีข้างหน้าโลกเราจะมีสมาชิกหน้าใหม่ที่เริ่มรู้ความจำนวนส2สองล้านคน โจทย์ให้คุณคิดคือมันเป็นไปได้ไหมมีหนทางใดหรือไม่ที่เราจะโน้มน้าวเด็กเกิดใหม่32ล้านคนให้เชื่อเรื่องกรรมวิบากกันได้ทั้งหมดก่อนที่เขาจะไปพบตัวเลือกทางความเชื่ออื่นๆเสียแทนนี่ยังไม่นับไม้แก่ดัดยากอีก 6,000 ล้านกว่าคนซึ่งกำลังมีชีวิตอยู่และยังไม่ตายในวันนี้นะครับคุณจะไม่รู้จนกว่าจะได้ลอง ว่าการพยายามเปลี่ยนความเชื่อของคนเป็นล้านนั้นหนักหนากว่าเข็นครกขึ้นภูเขาสักแค่ไหนสรุปแบบฟันธงให้ฟังง่ายคือในความเป็นจริงคุณไม่มีทางทําให้คนเชื่อในทางเดียวกันพร้อมกันทั้งโลกอย่างเด็ดขาดต่อให้คุณมีบุญญาธิการสูงส่งขนาดเป็นศาสดาใหญ่หรือต่อให้คุณมีเทคโนโลยีชั้นสูง พิสูจน์ความเชื่อของตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ตามว่ากันในโลกความจริงไปแล้วคราวนี้มาสมมุติตอบกันในโลกอุดมคติคือถ้าเชื่อกมวิบากกันทั้งโลกจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับจะไม่มีใครสักคนกล้าแม้แต่จะคิดชั่วและจะไม่มีใครสักคนบริโภคทรัพย์ของตนโดยแม่แบ่งปันให้คนอื่นก่อน เพราะจตระหนักพร้อมกันว่าการเสียสละและการรักษาความดีไว้เท่านั้นจึงเป็นสุขได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตผลของการมีแต่คนคิดดีพูดดีทำดีคือโลกนี้จะไม่มีตำรวจไว้ปราบคนโจรไม่มีทหารไว้ป้องกันประเทศไม่มีรั้วไว้ล้อมบ้านไม่มีประตูที่ล็อกได้ ไม่มีอะไรๆที่เรากำลังเห็นว่าทำหน้าที่ปกป้องการกระทําทุจริตคิดไม่ชอบทั้งมวลสิ่งที่คุณจะเห็นในชีวิตประจำวันไม่ใช่การทามาหากินแข่งขันประกอบธุรกิจแต่จะเป็นวัดโบสถ์ศาลาสาธารณะหรือศาสนาสถานที่พลุกพล่านด้วยผู้คนทุกเพศทุกวัยแต่ละบ้านอาจจาเป็นต้องปลูกข้าวปลูกผักกินเอง เพราะไม่มีใครทำธุรกิจโรงงานผลิตข้าวทุกคนต่างไม่อยากเสียเวลาทางทางไปสู่สวรรค์เงินตราจะกลายเป็นสิ่งน่ารังเกียจมีแต่คนเสนอตัวเป็นผู้ให้ไม่ค่อยมีใครนึกอยากเป็นฝ่ายรับสรุปคือมองไปทางไหนคุณจะพบเจอแต่เรื่องงดงามเบียบม์ไมตรีล้วนล้วนฟังไม่เหมือนโลกที่เคยคุ้นใช่ไหมครับ โลกที่คุณคุ้นและคุณรู้ว่าเป็นไปได้จริงคือโลกที่มีคนเชื่อกรรมวิบากอยู่แค่หยิบมือเดียวโลกที่มีผู้ทรงฌานรู้แจ้งกรรมวิบากแค่หลักพันโลกที่วุ่นวายอยู่กับการถกเถียงว่าตกลงชะตามนุษย์ถูกกาหนดโดยฝีมือเทวดาหรืออะไรกันแน่การเป็นพระอรหรันยากกว่าเชื่อ ยากกว่ารู้แจ้งเห็นจริงเรื่องเหตุผลกลกรรมวิบากคุณต้องมีหลักพิจารณาจนเห็นกายใจนี้เป็นทุกข์เชื่อจริงๆว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ตลอดจนเข้าใจได้ว่าถ้ายังมีอยากยังมีหวังใดๆก็ต้องต่อทุกข์ให้ยืดออกไปอีกถัดจากความเข้าใจคุณต้องใจเด็ดไม่อะไรใยดีไม่ยึดติดญาติมิตรและทรัพย์สินที่มี ต้องภาคเพียรตั้งสติกำหนดรู้เข้ามาในขอบเขตกายใจนี้อยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยใจให้หลงกามหลงกินหลงเกียรติยศเหมือนชาวโลกอื่นๆเขาแล้วทั้งแจ่มแจ้งแทงธรรมะด้วยใจเต็มๆดวงว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นควรวางเฉยไม่สำคัญว่าใดๆในกายใจนี้เป็นเรา สรุปคือเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งโลกจะเป็นพระอระหันต์ไม่มีทางที่คุณจะเกลี้ยกล่อมให้ใครต่อใครอยากเป็นพระอระหันต์กันทั้งหมดแต่ถ้าสมมุติว่าคุณทำได้ผลก็คือโลกเราจะเลิกเป็นแหล่งรองรับวิญญาณที่มีบุญพอจะมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์จะทยอยสูญพันธุ์และผู้อยู่เป็นคนสุดท้ายของโลกจะตายไปโดยไม่มีใครเผา จากนั้นกรรมจะจัดสรรวิญญาณมีบุญให้ไปเกิดในแหล่งอื่นที่มนุษย์ยังมีกิเลสพอจะสมสู่กันและตั้งคันได้เนี่ยแหละที่สุดของการสมมุติอะไรก็ไม่ใช่จุดยุติสังสารวัฏอยู่ดีเพราะโลกนี้ไม่ใช่หนึ่งเดียวที่เป็นเวทีกรรมในอนันตจักรวาลยังมีเวทีกรรมอีกนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้เลยครับ